149รศีลปัญญาแท้ๆที่ทำให้เกิดสมาธิเป็นหลักเอกอาตมาก็ว่ า, าศาสนาพุทธยุคปัจจุบันนี้กระแสหลักหรือคนทั่วไปได้หลงผิดเวียนกลับไปยึดทิฏฐิผิดอย่างอดีตกันแล้วไม่ได้มีความเชื่อถือหรือมีความเข้าใจว่า การทำสมาธิหลักเอกของพุทธนั้นไม่ใช่การนั่งหลับตาแต่อย่างใดเลยศาสนาพุทธนั้นมีไตรศีกขานี้เองเป็นหลักเอกลืมตาปฏิบัติมีมรรคองแปดซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติศีลเป็นข้อต้นสำหรับทุกขั้นไม่ละเว้นไม่ว่าภิกษุหรือฆรวาด ต้องสมาทานศีลให้สมฐานะตนซึ่งนักบวชหรือครวาด์ในการปฏิบัติเพื่อตนเองนั้นก็ล้วนเริ่มจากศีลห้าเป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นเหมือนกันทั้งนั้นส่วนภิกษุนั้นมีวินัยก็เฉพาะภิกษุต้องยึดถือซึ่งมีศีลธรรมนูนโดยเฉพาะมหาศีลนั้นเป็นส่วนรวมภิกษุต้องปฏิบัติตามมหาศีลทั้งหมด ไม่ใช่ศีลส่วนตัวมีจุลศีลกับมัชฌิมศีลขั้นละเอียดสูงขึ้นเป็นอธิศีลที่เป็นศีลแต่ละคนจะเลือกปฏิบัติไปตามลำดับของแต่ละคนที่เหมาะสมกับตนเพื่อการบรรลุของตนมหาศีลเท่านั้นที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนั้นทันที เพราะเป็นศีลส่วนรวมที่ยืนยันความเป็นศาสนาพูดว่าพุทธต้องไม่มีเดรัจฉานกถาตามมหาศีล น, นี้ส่วนจุลศีลกับเมชฌิมศีลเป็นศีลส่วนตัวประโยชน์ส่วนตนและศีลก็ต้องปฏิบัติให้จิตบรรลุอธิจิตเป็นอาริยะทั้งประโยชน์แก่ตนและแก่ความเป็นพุทธศาสนาโดยรวม และเกิดอาธปัญญาก็ต้องเจริญขั้นอริยะทั้งศีลเจริญขั้นอริยะโดยการสำรวมอินทรีย์6มีสติสามประชัญญะตื่นเต็มทำหน้าที่ตลอดกระทั่งบรรลุความสันโดษจะเจรินเป็นอริยะทั้งนั้นซึ่งแต่ละคนก็สมาทานมีขนาดจากขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายไปตามลำดับ มีขอบเขตขนาดเล็กน้อยปริสังเป็นศีล ต, ตั้งต้นพื้นฐานหรือก็ศีลห้านั่นเองแล้วจึงศีลแปและต่อไปศีล 10-26 แล้วจึงจะเพิ่มละเอียดไปตามมัดชิมะศีลการปฏิบัติให้กับตนนี้โดยศีลแล้วเริ่มต้นที่ศีลห้าเป็นขั้นต้นเหมือนกันทุกคนไม่ว่านักบวชหรือฆราวาส นอกจากกฎเกณฑ์วินัยของส่วนรวมในความเป็นภิกษุที่ต้องเว้นขาดเวรมณีตามสมมุติพระพุทธเจ้าไม่ให้ปฏิบัติไปอย่างไม่มีขอบเขตอัปมานเพราะมันมากมันกว้างมันไกลมันเกินตัวเกินไปแล้วก็สำรวมอินทรีย์ปฏิบัติให้มีผลเป็นอาริยะ มีสติสัมปชัญญะที่ปฏิบัติให้เป็นอริยะไปตามลาดับจึงจะเกิดสันโดษที่เป็นอริยะคือมีจิตที่ปรารถนามาให้ตนน้อยลงน้อยลงความแสหาแสวงหาตันหาก็ลดลงลดลงจนหมดตันหามีสัญญากำหนดรู้ความจริงไปตามลาดับ พระไตรปิฎกเล่มเก้ายืนยันวิธีปฏิบัตินี้ทุกสูตรยกเว้นสูตรที่หนึ่งที่ยืนยันเพียงศีลเป็นธรรมนูญที่ตรงกับทุกสูตรว่าต้องก่อนอื่นทุกคนและทิฏฐิที่ทุกคนเช่นกันจะต้องรู้ก่อนอื่นใดเช่นกันว่าการหลับจาทำเจโตสมาธิจมอยู่กับอดีตและอนาคตและผู้เอาแต่ศึก ตา ก, กีเอาแต่ค้นคิดวิมังสีนั้นไม่ใช่ทิฐิของศาสนาพุทธซึ่งชัดเจนในความสำคัญที่ต้องรู้ก่อนอื่นถูกแล้วว่าศีลกับปัญญานี้แหละที่จะทำให้เกิดอธิจิตหรือสมาธิไม่ใช่หลับตาปฏิบัติ